มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนดกะปัญหานาวมะวักนิพพานปัญหาที่หถามว่าจะแสดงนิพพานให้โลกทั้งปวงเห็นโดยรูปและสันฐานเป็นต้นได้หรือไม่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 ประมาณเนนวาโดยประมาณก็ดีอุปเมนะวาโดยอุปมาก็ดีการะเนนะวาโดยเหตุก็ดีเหตุนาวาโดยปัจจัยก็ดีณนะเยนะวาโดยในก็ดีจงเปรียบจงอุปมาซึ่งพระนิพพานให้เห็นแจ้งในการบัดนี้พระนาคเกษ็จจริงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระ พ, พรบวชพิทราชสมภาร นิพพานังนะส ก, กาอัตมามิอาจจะแสดงพระนิพพานให้เห็นโดยรูปสันธานอาวัยวะและประมาณและอุปมาเหตุปัจจัยและไหนได้เหตุว่าพระนิพพานไม่มีตัวไม่มีเหตุปัจจัยสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา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 คำโลกเรียกว่ามหาสมุทนั้นมหาสมุทมีจริงหรือพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชามหาสมุทมีจริงพระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชาดุราณะบพิษพระราชาสมภารสจเจ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 เมื่อเขาถามดังนั้นโยมก็จะห้ามว่าอัมโพปุลิสะดูรานะบุรุษผู้เจริญท่านอย่าได้ถามปัญหานี้เป็นถะปัญญาปัญหาไม่ควรถามคือใครจะประมาณพระมหาสมุทรได้ใครจะประมาณน้ำในมหาสมุทรและปลาในมหาสมุทรได้ว่าเท่านั้นเท่านี้ พระนาคเซนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาสมุทรนี้มีในธรรมสมเด็จพระสัพพัน ญ, ญุบรมครูเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวา้ฉไนมหาบอพิษจึงไม่แก้ปัญหาซึ่งเขาถามนั้นเล่าควรที่พระองค์จะแก้ไขโดยแท้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะงค์การตรัสว่าโย ม, มิอาจจะแก้ปัญหาชี้ว่ามหาสมุทกว้างใหญ่และอุทะกังในมหาสมุทและปลาใหญ่น้อยว่าร้อยหรือพันหรือแสนได้ปัญหานี้สุดวิสัยที่โยมจะวิสัชนาพระนาคเสนมีเทระวาจาว่าความนี้ฉันใดมหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระนิพพานนี้มีในพระสัทธรรมเทศนาสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าโปรดไว้ก็จริงแต่อาตมามีอาจวิสัชนาว่าได้โดยรูปสันฐานประมาณว่าน้อยใหญ่และอุปมาเปรียบเทียบว่าเหตุว่าปัจจัยได้ก็สุดวิสัยที่จะแก้ไขมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ถึงว่าท่านผู้มีฤทธิ์ชาณวสีชำนานชาญก็ดีมีสติปัญญาอาจสามารถจะประมาณอุทกกลางและปลาในมหาสมุทรได้ท่านผู้นั้นก็มิอาจสำแดงพระนิพพานว่าพระนิพพานมีรูปทรงสันฐานเท่านั้นเท่านี้ได้อันหนึ่งเล่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร พระองค์ทรงทราบพระยานอยู่บ้างหรือว่าเทวดาผู้หนึ่งชื่อว่าอารูปกายิกาเทวดาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาขาเสนาข้าแต่พระนาคเสนโยมได้ยินอยู่พระนาคเสนมีเทระวาจาว่าถ้าฉะนั้นมหาบพิจงว่าให้เห็นโดยรูปโดยสันฐาน โดยประมาณโดยอุปมาแล้วว่าโดยเหตุโดยปัจจัยจะได้หรือไม่ได้เล่าบอบพิดสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเทวดานั้นไม่มีเนื้อไม่มีตัวยมจะเอาอะไรมาว่าได้พระนาคเสนมีเทระวาจาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาบาพิษชี้ตัวอรูปากายิกาเทวดาไม่ได้กระนั้นอรูปากายิกาเทวดานั้นหามีไม่นั้นสี่พระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอารูปากายิกาเทวดานั้นมีอยู่ แต่ทว่าไม่มีเนื้อไม่มีตัวโยมจึงมิอาจว่าได้โดยรูปสันธารประมาณเหตุปัจจัยพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่าฉันใดก็ดีมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระนิพพานนี้ก็ไม่มีเนื้อไม่มีตัวเหมือนกันกับอรูปกายิกาเทวดาสุดที่จะวิสชนะได้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 ให้โยมฟังหน่อยเถิดบัดนี้ดวงหาฤทัยโยมนี้ร้อนดุดกองเพลิงอันใหญ่ลมพายุพัดไม่ไปชันใดก็ดีดวงหาฤทัยโยมนี้ร้อนนักหนาด้วยปรารถนา จ, จะสวนาการฟังซึ่งคุณแห่งพระนิพพานก็หาได้ฟังไม่โยมจึงมีหาฤทัยร้อนนักหนาในการบัดนี้พระนาคเษนมีเทระวาจาว่า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 ควรจะเปรียบเข้าในคุณแห่งพระนิพพานทั้งสิ้นทั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งปธุมชาติอันหนึ่งนั้นประการใดจึงเปรียบเทียบกับคุณพระนิพพานได้พระนาคเสนจึงแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร อันว่าคุณแห่งปฐุมชาตินั้นอุทะกังจะได้แทรกซึมติดเข้าอยู่หามิได้ฉันใดก็ดีพระนิพพานจะได้มีกิเลสคล้องทราบซึมอยู่หามิได้ดุจ ด, ดอกปฐุมชาตินั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าอุทะกังมีคุณสองประการนั้นอย่างไร พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าอุททกลางนั้นเย็นจะดับเสียซึ่งความร้อนกระวนกระวายนั้นฉันใดพระนิพพานนั้นก็ดับเสียซึ่งกิเลสเหมือนอุททะกลางนั้นประการหนึ่งอุททะกลางนั้นสีตะลังเย็นเป็นที่ล้างเสียซึ่งมวลถินห้ามเสียซึ่งความกระหายน้ํา ฉันใดก็ดีพระนิพพานล้างเสียซึ่งมนทินคือกิเลสห้ามเสียซึ่งความปรารถนาที่จะอยู่ในพบทั้งสามคือกามภพบรูปพบอรูปพบดุจอุทกังอันล้างซึ่งมนทินห้ามเสียซึ่งความอยากน้ำฉั น, นั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาเคเสนผู้ปรีชาอัานว่าคุณแห่งยาดับพิษงูสามประการนั้นอย่างไรพระนาเคเสนจึงแก้ไขว่าคุณแห่งยาดับพิษงูสามประการนั้นคือเมื่ออาศรพิษขบคนเข้าจึงเอายาดับพิษกินเข้าไปให้หายพิษเป็นที่พึ่งได้ประการหนึ่งชั้นใดก็ดีพระ น, นิพพานนี้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย อันกิเลสเบียดเบียนก็ดับให้กิเลสสูญหายเหมือนยาดับพิษงูนั้นจดเป็นคุณยางูเป็นปฐมปุณณะจะประังอีกประการหนึ่งเล่าอันว่ายาดับพิษงูนั้นกระทําให้สัตว์ทั้งหลายอันงูขบกัดให้หายคลายโรคสิ้นสุดฉันใดพระนิพพานก็กระทําให้สิ้นที่สุดทุกขแห่งสัตว์ทั้งหลายดุจยางู อันดับพิษให้สิ้นสุดนั้นจัดเป็นคุณแห่งยางูประการที่สองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารอักขทังอันว่ายาดับพิษงูนั้นรักษาซึ่งสัตว์ทั้งหลายอันงูร้ายขบไว้ไม่ให้ตายด้วยพิษงูได้ยะถามีขรุวนาฉันใด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 มีสี่ประการนั้นประการใดพระนาคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณแห่งมหาสมุรเป็นปฐมนั้นคือมหาสมุรบริสุทธิ์จะได้มีซากศพล่องลอยอยู่หาไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระนิพานก็บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลติดอยู่เหมือนมหาสมุด อันบริสุทธิ์จากซากศพนั้นจัดเป็นคุณแห่งมหาสมุทรเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาสมุทรนั้นใหญ่นักหนาถึงมาดว่าคงคาห้าห่วงจะไหลล่วงลงมาสักเท่าใดเท่าใดก็ไม่เต็มมีฝั่งฟากโพ้นมิได้เห็นปรากฏแก่ในตา ยะถามีครุวนาฉันใดอันว่าพระนิพพานนี้มหาตังกว้างใหญ่อโนปารังจะได้มีฝั่งฟากโพลเห็นปรากฏหามิได้ถึงฝูงสัตว์จะไปอยู่ในพระนิพพานสีวาลัยสัตว์เท่าใดณนะปูเรติก็ไม่ได้รู้เต็มดุดมหาสมุทรอันใหญ่นั้นอยังคุณโน อ, อันว่าคุณแห่งมหาสมุทนี้ พติโยเป็นคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารายังมหาสมุทโทอันว่ามหาสมุทอันใหญ่นี้อาวาโสเป็นที่อยู่มหันตานังแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากยะถามีขรุวนาฉันใดนิพานังอันว่าพระนิพาน อาวาโศเป็นที่อยู่สุขสมัมาญนขีนาสวานังแห่งพระขีนาสพเจ้าทั้งหลายอันมีวสีเอวังเมะตถามีอุปมาเหมือนดังนั้นอายังคุณโออันว่าคุณแห่งมหาสมุทรนี้ตติโยเป็นคำรบสามปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารมหาสมุดโถอันว่ามหาสมุดอันใหญ่ย่อมจานเจือไปด้วยชาติบุปผาลดาดอกไม้มีกลิ่นหอมบริสุทธิ์มีประการเป็นอนเนกนานายะถามีคาุวนาฉันใดนิพพานังอันว่าพระนิพพานก็เจือไปด้วยดอกไม้มีเสา ว, ว่าคนทชาติอันหอมบริสุทธิ์ กล่าวคือพระวิมุตติธรรมอันไพยบูรบริสุทธิ์มีประการต่างๆทรงพระบวรคุณจะนับไม่ได้เอวังเมตถ า, ามีอุปมาดุดพระมหาสมุทตอันเจือไปด้วยสุมาลัยอันบริสุทธินั้นอะยังคุณโนอันว่าคุณแห่งพระมหาสมุทตนี้จะตุโถเป็นคำรบสีเปรียบด้วยคุณแห่งพระนิพพาน สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งโพชนาหารมีอยู่ห้าประการนั้นฉันใดเล่าพระนาคเสนเจ้าจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณแห่งโพชนาหารห้าประการนั้น อายุวัฒนังคือเลี้ยงไว้ซึ่งอายุสัตว์ให้วัฒนาการจำเริญไปประการหนึ่งพาระวัฒนังคือให้จำเริญกำลังแรงแห่งสัตว์ทั้งหลายประการหนึ่งวันะชนะนังคือให้เกิดสีสันพันนะประการหนึ่งทรัฐวูปสมมนังคือดับเสียซึ่งความกระวนกระวายประการหนึ่งชิกัดฉาทุพภลระปฏิวิโนทนัง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 จะให้จำเริญมริสพนประการหนึ่งสีละวั น, นชนะนังเพื่อจะให้เกิดวันณนะกล่าวคือศีลประการหนึ่งสัพภากิเลสะธรัตถวูปะสมณังคือจะระงับดับเสียซึ่งกระบวนการวายคือกิเลสทั้งหลายประการหนึ่งจะบรรเทาเสียซึ่งความอยากขิวโหวยคือกองทุกทั้งสิ้นประการหนึ่งสิริเป็นคุณห้าประการ มีคารุวานาดุดภูชนาหารอันมีคุณห้าประการนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณอากาศสิทธิประการนั้นคือประการใดบ้างพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภาร อันว่าคุณอากาศสิบประการนั้นณชีติคือไม่รู้แก่ประการหนึ่งณมียติคือไม่รู้ตายประการหนึ่งณจวติไม่รู้จุติประการหนึ่งณอุปััชติมิได้เวียนเกิดอีกประการหนึ่งอุปสัยหังหาผู้จะข่มเหงมิได้ประการหนึ่งอาโจระคะนิยังหาโจรจะฉกลักช่วงชิงมิได้ประการหนึ่ง อ น, นิสิตังไม่มีที่อาศัยประการหนึ่งวิหังคะขมนังจะไปได้แต่นกและคนมีริศและเทวดาและยักษ์มีริศประการหนึ่งนิราวะระนังหาสิ่งจะ ก, กั้นไม่ได้ประการหนึ่งอ น, นันตังกว้างยาวหาที่สุดไม่ได้ประการหนึ่งสิริเป็นคุณสิบประการนี้ยะถามีครุวนาฉันใดนิพานังอันว่าพระนิพพานนี้ ประกอบด้วยคุณสิบประการณชีติคือไม่รู้แก่ประการหนึ่งณมียติไม่รู้ตายประการหนึ่งณจวติไม่รู้จุติประการหนึ่งณอุปัชติมิได้เวียนเกิดประการหนึ่งอัปปัยหังหาผู้จะคมเหงม่ได้ประการหนึ่งอาโจระคะนียังหาโจรจะปล้นชิงฉกลักไม่ได้ประการหนึ่งอา น, นิสิตัง หากิเลสอาศัยไม่ได้ประการหนึ่งอริยะขมันังเป็นที่ไปแห่งพระอริยะเจ้าประการหนึ่งนิราวัรนังหาสิ่งจะกั้นไม่ได้ประการหนึ่งอนันตังหาที่สุดไม่ได้ประการหนึ่งเปรียบเหมือนอากาศฉะนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชา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 สิริเป็นคุณสามประการชนีิยะถามีครุวนาฉันใดอันว่าพระนิพพานนี้ก็ให้สำเร็จความปรารถนาประการหนึ่งกระทําให้ชื่นใจประการหนึ่งอุโชติตุทะการนังกระทําให้ปลื้มใจรุ่งเรืองขึ้นประการหนึ่งมีอุปมาเหมือนดังแก้วมณีนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะ แต่พระนาเคเษนผู้ปรีชาอันว่าคุณจันแดงสามประการนั้นอย่างไรเล่าพระนาเคเษนเจ้าจึงแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโลหิตจันทนังชื่อว่าจันแดงมีคุณสามประการนั้นคือทุลพังจะหาได้เป็นอันยากประการหนึ่งอสมังสุขันธงมีกลิ่นหอม หาที่จะเปรียบไม่ได้ประการหนึ่งสัพพชนะประสัถังอันคนทั้งสิ้นหากสรนเสริญประการหนึ่งสิริเป็นคุณจันแดงสามประการเท่านี้ยะถามีครุวนาฉันใดพระนิพพานนิสัยทุลภตรังกว่าจะได้นี้ยากนักประการหนึ่งอสมังสุขันธงมีกลิ่นหอมหาที่จะเปรียบไม่ได้ประการหนึ่ง อริยะปัสสัทถังเป็นที่พระอริยะเจ้าสรรเสริญประการหนึ่งสิริเป็นคุณสามประการเหมือนหนึ่งจันแดงนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณสับปีข้นสามประการนั้นอย่างไรคือประการใดบ้าง พระนาเกษนแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าคุณสามประการแห่งสัปปีข้นนั้นหรือคือสัปปีข้นมีสีอัน ง, งามประการหนึ่งมีรสอันเลิศประการหนึ่งประกอบด้วยกลิ่นสาวัคนอันหอมประการหนึ่งสิริคุณสัปปีข้นสามประการเท่านี้ยะถามีครุวนาชันใด รานิพานประกอบไปด้วยวันนะคืออนันตคุณประการหนึ่งประกอบด้วยรสคืออมะตะประการหนึ่งประกอบด้วยกลิ่นคือศีลประการหนึ่งสิริเป็นสามเหมือนคุณแห่งสับปีค้นนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคุณแห่งยอดขีรี มีห้าประการนั้นฉันใดพระนาคเษน จ, จิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอันว่าคุณยอดคีรีห้าประการนั้นหรือคือยอดคีรีนั้นสูงประการหนึ่งคือยอดคีรีนั้นไม่ได้รู้หวันไหวประการหนึ่งคือยอดคีรีนั้นหาพืชจะงอกไม่ได้ประการหนึ่ง อนุนยัยยปติฆะวิปยุตตังคือยอดคีรีนั้นปราศจากความรักความชังประการหนึ่งยอดคีรีมีคุณห้าประการชนี้ยะถามีครุวนาฉันใดพระนิพพานนั้นไซ่ก็มีคุณห้าประการเหมือนกันคือสูงประการหนึ่งไม่ได้วันไหวประการหนึ่งบุคคลจะได้โดยยากประการหนึ่ง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 สัมปฏิชามิโยมจะรับคำไว้พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ภัยร่ะหนักหนานิพพานปัญหาเป็นคํารบห้าจบเพียงนี้